วันนี้เป็นวันจบของวิกรมทิหรือวิกรมจริตนะคะแล้วก็เป็นวันที่ท่าโภชาประสบผลสําเร็จครับในการที่ไค้ครวนไปทีละขั้นทีละตอนฮะนะคะตอนนี้ทุกตาตัวที่สาอดสามสิบสองามสิบเอ็ดสามสไปแล้วครับไม่ค่ะขึ้นส1แล้วก็ไปสามนะคะแล้วก็ขึ้นสู่ที่สูงคือรัตนาบาลังนะคะด้วยการไค้ครวนว่าสิ่งที่ ตนนั้นทํามาเนี่ยหรือว่าสิ่งที่พระเจ้าวิกรมาทิติเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ทํามานั้นถูกต้องหรือไม่ครับนะจนเป็นที่รักและที่ยอมรับของชนทั้งหลายนะคะไม่ว่าที่ใดจะร้อนนะคะที่ใดจะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยหากเราทั้งหลายเนี่ยดารงตนอยู่ในมาร์บองแปดนะคะคือคือธรรมะปฏิบัติเนี่ยบางทีหลายคนเนี่ย จะหัวเราะนะบางทีแอนเพิ่งดูรายการทีวีมาหยบหยบนะคะเหล่าดาราเนี่จะหัวเราะคนปฏิบัติธรรมแล้วก็พูดในลักษณะที่เหมือนประมาทปรลัดนตรัีนะคะในคำัำสอนของพุทธองค์เนี่ยคือไม่ได้ให้ความเคารพในคําสอนพอควรไม่สุภาพสมควรแสดงว่าเด็กสมัยนี้นี่ยังอ่อนในเรื่องของการศึกษาเรื่องพุทธศาสนาหรือคําสอนที่มีคุณค่าเขาไม่ถึงทางเขาไม่ถึงนะก็พูดเป็นเรื่องหัวเราะอันนี้แอนก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะคะแต่ว่าก็ยังให้อภัย ก็ยังมองที่คือไม่ใช่ให้อภัยหรือว่าคิดว่าเราเรายังพอไม่ขัดหูนะคะ hmm. แต่ว่าสิ่งต่างๆที่เราดำเนินชีวิตทุกวันนี้เนี่ยที่มันวุ่นวายเนี่ยเราเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่ามันเกิดจากทิฏฐิของตนเองซึ่งอาจจะเป็นไปในทางที่ชอบหรือไม่ชอบสลับกันไปนี่แหละแต่ครั้งใดที่มุนเวียนมาเป็นมิจฉาทิฏฐิพร้อมๆกัน ความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นในชนหมู่ใหญ่ค่ะคอันนี้เป็นสัจธรรมะนะคะไม่ใช่ว่าเราพูดเองเราจะไปตำหนิติเตียนใค ร, ครแต่เป็นสัจธรรมเป็นธรรมที่เป็นความจริงที่ว่าหากชนหมู่ใดต่างก็มีวิจฉาทิฏฐิมาถึงพร้อมๆกันในเวลาเดียวกัน<ะ>ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงกละยุกซึ่งเขาบอกว่าพระเสื้อเมืองก็จะออกจากพระนครและผีป่าก็จะเข้าสู่มหานคร จริงๆแล้วมันมีเพลงยาวช่วงสมัยกรุงศรีอยธยาจะแตกนี่นะครับแต่เราก็คงไม่ได้นำมาพูดนะวันนี้ภาคใต้ก็วุ่นวายนะคะแต่อย่างไรก็ตามพุทพักคราวนี้ก็มีฤิ์มีเดชมากแล้วก็ภาคใต้ก็ดาวพุธนะะสายลักษณ์ของภาคใต้ก็ดาวพุธนะคะ AIS ก็ดาวพุธ t a c ก็ดาวพุธก็ถูกเผาเกี้ยงเลยนะคะแหมก็นะคือก็ต้องบอกว่าทุกคนต้องตั้งมั่นอยู่ที่สงบแล้วก็ใคร้ครวนหัวคิด พี่เจรณาเฉพาะตัวเองนี่ยอน้อยะคะร้อยสองขึ้เล็กๆเวลาทุ่มครึ่นึทุ่มครึ่งก็คงจะมีชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งที่นั่งฟังอยู่ด้วยจิตใจที่เป็นสุขและพรุ่งนี้เราก็ไปทำบุญอีกแล้วนะคะคณะสาธิตชีวิตสีคนนะคะก็ขึ้นไปเชียงหายเชียงรายขึ้นไปเรียกว่าพิธีที่จะวางศิลาฤกษ์ที่เราจะซ่อมที่เราจะช่วยกันสร้างนะเราก็คงดําเนินต่อไป ผู้ที่เป็นกุศลจะได้ไปสร้างศาลาซึ่งเป็นศาลาการประเรียนและปฏิบัติที่วันซึ่งตั้งอยู่ในกิ่งอำเภอภูสางนะครับเพราะว่าก็เป็ น, นทั้งโบสถ์ทั้งวิหารด้วยครับใช่ครับเป็นสถานที่เพราะว่าคือทางเหนือต้องเรียนนําตรงว่างบประมาณและปัจจัยน้อยนะครับเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วเราก็อยากให้ได้ใช้ประโยชน์ครบถ้วนอันนี้ก็ท่านผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนอยู่ในอำเภอภูสางเนี่ยก็ขอบคุณมายัางพี่น้องผู้มีจิตสถานชาวกรุงเทพมหานครอย่างพวกเรานะครับ แล้วก็ท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยทำบุญมาไม่ได้สแสดงไม่ได้เ อ, อ่ยชื่อเ อ, อ่ยนามนะฮะทั้งหมดถูกนําไปมอบให้กับไปถวายครูบาเจ้าถึงทั้งหมดนะครับคือจริงแล้วอนิสงส์ของการทําบุญที่ไม่ออกชื่อเนี่ยนะคะคถ้าเราพูดในทางโหราศาสตร์เนี่ยพบ ว, วินาศมีกําลังนะคะคุณชยุติหมายคือว่ายามใดที่เรามไม่มีสติหลงหรือคิดผิดด้วยโทสะโมหะเราก็จะคิดได้ในที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าทําบุญไม่เอาหน้าครับนะคะก็มีอนิสงส์อันยิ่งใหญ่แต่ถ้าคนที่เอาแต่หน้าเหรฮะ คือเอา้าแต่จิตไม่แต่คนที่ถึงจะมีชื่อด้วยแต่จิตเป็นกุศลด้วยก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่หลงนะคะแต่ว่าเป็นคนที่เปิดเผยก็มีอานิสงส์เหมือนกันค่ะแต่ถ้าทําบุญว่าจิตไม่น้อยแต่ว่าออกปากไว้ก่อนแล้วไม่ทําตามคําพูดครับอันนี้ก็มีอกุศลกรรมตามมาเหมือนกันเราก็จะพบเห็นแต่คนแบบนั้นคืออยู่ในท่ามกลางคนที่ไม่รักษาคําพูดต้องระมัดระวังระหวัดละแวงกันอยู่ตลอดก็ไม่มีความเชื่อใจซึ่งกันและกันเลย ไม่สามารถจะเชื่อซส่งกันและกันได้ก็กลายเป็นหมู่คนพานไปหมดสรุปแล้วค่ะอาจารย์ครับกษัตริย์โพชะเ ท, ท้าท่านค้างอยู่ที่บันไดข <31 S 2> ั้นที่3ามสิบเอาอ็ดนะคะกำลังจะเหยียบขึ้นไปแล้วนะครับะนะคะก็เป็นเรื่องราวของพระเจ้าวิกรธรมทิศนะทึ่สเสวย ร, ราชสมบัติที่นครอุจจยีนีนี่แหะค่ะก็มีนักบวชประเภทที่คำพรที่คำพรแปลว่านุ่งฟ้าห่มทิศนุ่งนุ่งลมห่มฟ้าไหมฮะนุ่งฟ้าห่มทิย์หมายถึงว่าบูชาทิศไม่นุ่งห่ม ไ ม, ไม่ใส่เสื้อผ้านะคะ mm. เดินทางมาขอข้าเฟ้าเป็นนิกายที่นอกศาสนานะคะ <Okay. S 1> เมื่อมาถึงเบื้องหน้าพี่ประทับแล้วก็กล่าวสดุดีเป็นคาถายาวทีเดียวแต่ก็มีกลายอันปืนเปล่าว่าเอาผลไม้ผลหนึ่งวางบนประหัสของพระราชาแล้วก็กราบทูลว่าในคืนวันแรมส์14ข่ําของเดือนมฤคสิสะมฤคสิสะคงจะทราบนะคะคือเดือนที่ประจัน โจอจรเขสู่กลุ่มดวงดาวศีษะกว่างหมายถึงเดือนธันวาคมนะคะมฤคศิษะก็เข้าสู่ศีษะกว่างข้าพเจ้าตั้งใจจะประกรอบดันยพิธีในมหาสุสานพระองค์ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นและเป็นผู้กล้าหาญก็ขอให้ช่วยเหลือข้าพเจ้าให้บรรลุบัรลความปรารถนาด้วยเถ อ, อะพระทาคถ า, าจะทําไงล่ะลากบวถที่กำทองก็บอกว่าอันนี้คือ ต้นเรื่องของเวตาลค่ะคุณชยุตินะคะเพราะว่านักบวชคนนี้เนี่ยบอกว่าไม่ไกลจากกุสานมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งที่เรียกว่าต้นสมีบนกิ่งต้นไม้นั้นมีเวตาลแขวนอยู่ครับพระองค์โจเอาเจ้าเวตาลนั้นนะ่ะมาให้ข้าพเจ้าอย่างเงียบเงียบไม่ให้ใครรู้พระราชาก็ทรงให้สัญญาครั้นถึงวันแรมสิบสี่ข้ามของเดือนที่คําพวกพอนักบวชนุ่งลมห่มฟ้าก็ตั้งทําวิธียัญญา ในป่าช้าเตรียมเครื่องปรีให้พร้อมสัพบใกล้กเที่ยงคืนพระราชาเสด็จไปพบนักบวชในป่าชา้านักบวชก็ชี้ให้พระราชาเดินทางไปสู่ต้นสมีเมื่อเสด็จมาถึงต้นสมีก็เห็นเวตาลห้อยหัวลงอันนี้นะคะเป็นที่มาของนิทานเวตาล น, นะคะคแต่ว่า น, นี่เป็นเรื่องย่อก็ปลดเอาตัวเวตาลม า, าพาดบ่าเสด็จกลับไปยังสุสาน ร, ระหว่างทางเวตาลก็บอกว่าโอพระภูบดีถ้าพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย การเดินทางที่นี้เรามาลองนิเล่านิทานสู่กันฟังเป็นอย่างไรพระเจ้าวิกรมาธิทิศก็ไม่ได้ตัดตอบเวตาลบอกถ้าพระองค์ไม่อยากจะเล่าให้ข้าเล่าแทนก็ได้แต่ต้องสัญญาก่อนว่าเมื่อเล่านิทานจบแล้วและพระองค์ทรงรู้คําตอบที่ข้าพเจ้าทูลถามแต่ไม่ทรงตอบเพราะเกรงจะทําลายความเงียบแล้วก็ให้ระวังพระเศียรของพระองค์จะแตกเป็นพันเสียรทีเดียวและเวตาลก็เริ่มเล่าเรื่องหนึ่งนะคะว่า ทางไหล่เขาด้านทิศใต้ของภูเขาหิมาลัยมีเมืองหนึ่งชื่อวินทะยวดีสมัยหนึ่งพระเจ้าราชบุตรโอรสพระราชาเสด็จออกไปล่าสัตว์พบช้างป่าเชือกหนึ่งมีลักษณะงามก็ไล่ติดตามไปก็หลงเข้าไปในป่าลึกในที่สุดเสด็จมาถึงถนนสายหนึ่งนำไปสู่พระนครของพระองค์ระหว่างที่เสด็จไปตามท้องถนนแต่เดียวดายนั้นก็มาถึงแม่น้ำเล็กๆสายหนึ่งและเห็นพราหมณ์ผู้หนึ่งกำลังทำยัญญะพิธีอยู่บนฝั่งแม่น้ำ ราชบุตรก็ตรงเข้าไปหาราตรีว่านี่นายพรามข้าจะไปกินน้ําที่ไม่น้ำซะหน่อยท่านจงช่วยดูแลม้าของข้าด้วยพรามได้ฟังก็ตอบว่าเราเป็นขี้ข้าท่านเหรออืถือต้องไปถือสายบางเหียนมาให้นะ่ะราชบุตรได้ยินก็โกรธยกแส้ขึ้นหวดควับลงไปที่บนหลังพรามเต็มแรงพรามก็ร้องครวญครางวิ่งหนีไปหาพระราชาทูลเล่าเรื่องหลายฟังพระราชาก็สงรงพพิโรธเดละเทศจ้าราชบุตรออกราชนาสักทันที ตนนั้นอมาตผู้หนึ่งเฝ้าอยู่ก็กลาบทูลทัฐฐานว่าพระอาญาไม่พ้นก้าวเหตุไฉนจึงโปรดให้เนรเทศ พ, พระราชบุตรเสลาว์ทรงลืมไปแล้วหรือว่าเจ้าราชบุตรครัชทายาตต้องของราบแทนพระราชาตัดว่าทําไมพูดอย่างนี้ละ่ะเรื่องนี้สมควรแล้วมน่นบางอาจเอาแส้หวัวท่านพราหมณ์ถือว่าเป็นความผิดคนเย่งนี้ไม่สมควรจะได้เป็นพระราชาคมเห็พงคะแนงร้ายคนอื่นเนี่ยคนฉลาดก็ต้องไม่ก่อศัตรูกับพราม คนฉลาดจะไม่เสพยาพิษไม่เล่นกับงูไม่ติดเตียนเหล่านักบวชและไม่ทำความเดือดร้อนให้แกพราหมณ์ก็เจ้าไม่เคยอ่านคำพีโบราณาเลยเหรือว่าในอดีตการเนี่ยประสิวะยังถูกพราหม์สาบแช่งพระองค์ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่เป็นเวลานานไม่ว่าตำแหน่งจะสูงสง่งยังไรก็ตามก็ต้องไม่ดูหมิ่นเยียดยามพราหมณ์ดูจกักรพรรดิบั อันนี้เป็นเรื่องของกษัตริย์ในวงสุริยะนะคะคมีวาสนาบรารมีสูงในคลองสวรรค์แทนพระอินทร์กับตกลงมาสู่แผ่นดินโลกอย่างหน้าอับยศอดสูเพราะไปดูหมิ่นพระคัสตยมุนีเพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้ความเคารพแก่พราหมต้องให้ความเกรงใจรพราหมณ์ก็ไม่ควรถูกปฏิบัติอย่างดูถูกดูหมิ่นเพราะว่าพระามเนี่ยอย่างน้อยก็ปฏิบัตินะคะมีพิธียันย่าพิธีเป็นที่เคารพของผู้หลักผู้ใหญ่ ตลอดทั้ง3มโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเครารพในสมนาะชีพรามก็เมื่อไล่า ย, ยาวได้แสดงว่าจะต้องเครารพสมณะชีพรามโดยสรุปแล้วพระราชาก็ตัดต่อว่าใครก็ตามที่ทําทารุณกรรมแก่พรามมือผู้นั้นต้องถูกตัดออกด้วยซ้ำไปพอคิดคิดไปคิดมาก่อนจะในนาทีจะตัดมือพระราโชรถอีกพรามก็เลยรีบทูลทัด ท, นทานว่าเออโอรถทําไปนะพระหลวงผิดนะพระองค์ไม่ต้องไปทําถึงขนาดนั้นหรอกแค่นี้ก็เข็ดหลาบแล้ว ขอให้เมตตายกโทษให้เถอะพระราชาก็ยกโทษให้พระโอรสพรามก็เลยกราบทูลาคือพูดง่ายๆพรามนั่งฟังพระราชาพูดถึงด้วยความกับรบจุกย่องเนี่ยรพรามก็ใจอ่อนและหายโกรธแล้วละ่ะใช่ไหมคะเพราะพระราชากลบลงตำทวดอรตโอรสก็เลยยกโทษให้ครับมเมื่อเลานิฐานจบลงเวตาลก็กล่าวว่าข้าแต่พระนรนาะระหว่างคนสองคนที่แสดงคุณธรรมนิฐานเรื่องนี้ คนไหนล่ะมีคุณธรรมยิ่งกว่าอีกผู้หนึ่งพระเจ้าวิก ร, รมาทิตย์ก็เผอเพระองค์ตัดตอบว่าพระเจ้าแผ่นดินนั่นแหละเป็นผู้ทรงคุณธรรมยิ่งกว่าเวตาหลหัวเราะพระองค์ทรงลืมไปแล้วกําลังว่าจะไม่ออกความเห็นใดๆเมือ่อทรงลืมก็ต้องทนเลยกลับไปรับข้าพระเจ้าที่ต้นสมีอีกครั้งหนึ่งก็โบยบินกลับนี่เป็นตัวอย่างของทางเวตาลใ น, นเรื่องนะคะแล้วก็ไปรับกลับมก็ต้องไปรับกลับามาใหม่ก็เล่าเรื่องถวายครั้งแล้วค้างเล่าค้างแล้วค้างเล่า เที them, scales, ่ยวไปเที <virgin aju> <Chrome heraus> <ici ress> ่ยวมาเน25ครั้งครับนะคะที่กุณทิวบอกว่าอยากฟังแอนเล่าให้ฟังเดี๋ยววันหลังนะคะหรือทางเวตานะคะ25เรื่องเวตาลก็เล่าถวาย25เรื่องก็เลยมีดที่มาของเวตาลปัญจะวิงสติก็คือนิทานเวตาลในที่สุดเวตาลก็เลิกการทรมานพระเจ้าวิกรมาทิกเพราะสงสารและเห็นใจประกอบกับความชื่นชมที่ได้ประจักษ์ว่าพระเจ้าวิกรมาทิกเป็นยอดปรุษที่ปรีชาสามารถ ชำนาญในศิละปวะิทยาทั้งกรุณากร้าอาหารอดทน<ะ>มีคุณธรรมมา ก, ม า, กมายจาึเมื่อทดลองถึงที่สุดแล้วเวตาลก็กล่าวกับพระราชาเป็นความลับว่ามหาราชาที่คำพรชั่วชาติคนนั้นกำลังคิดฆ่าพระองค์อยู่มันกำลังลวงพระองค์ให้เข้าไปหามันและอาศัยความรลงเชื่อของพระองค์ที่มีต่อมันหาทางทำลายชีวิตของพระองค์ซะโปรดระวังให้ดีเถอ พระราชาก็ถามแล้วมันจะทํำยังไงล่ะเวตาก็กระซบอกเวลาพระองค์เผลอนั่นแหละตอนที่พระองค์จะนําข้าพเจ้าไปให้มันตามที่มันขอร้องมันก็จะพูดว่าแน่ราชาพระองค์เสร็จจงเน็ดเนื่อยมากแล้วคืนนี้จงกระทําทักษิณวัดรอบกองไฟอันศักดิ์สิทธิ์นี้เถิดเมื่อพระองค์รับคำหรือก้นพระเศียรลงต่ําเพื่อความทําความเคารพก็จะถือโอกาสนี้ฟันพระศอของพระองค์นั่นแหละแล้วก็เอาศพของพระองค์เป็นเครื่องสังเวย ก็ในการสำรครั้งนี้ก็จะทำให้ข้าเนี่ยเป็นพรามขึ้นมาแล้วเรียนอำนาจมายา8ประการจากข้าพระเจ้าวิกรามาธิต์ก็เลยตัดถามว่าใช้ข้าทำอย่างไรก็อย่างนี้สิเวลาที่นักบวชกาลีนั่นบอกให้พระองค์ก้มศรีรษะแสดงความเคารพพระองค์ต้องพูดกับมาว่าเราเป็นเจ้าเจ้าจักรพรรดิแห่งโลกบรรดาพระราชาทั้งหลายล้วนแต่ก้มศีรษะ แต่เราทั้งนั้นเราไม่เคยทําความกระตุใครจึงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรใ ห, ให้แสดงดูใ ห, ใ, หให้ดูแสดงให้ดูหน่อยและเมื่อเจ้าที่คําพรลงก้นแล้วก็จงตัดศีรษะมันซะแล้วข้าพเจ้าจะทํำสังเวยให้พระองค์แล้วก็นํามหาไมายามน์ทั้งแปดประการนั้นมาให้พระองค์แทนท่านวิกรองมรดิ์ได้ฟังและตัดสินใจทันทีครับพระราชาก็ทําตามครับนะคะก็ได้รับ โมนราแปประการนะคะเวตาลก็กลับทูลว่าก็ข้าพเจ้าบรรลุผลที่สิ่งปรารถนาแล้วก็ยินดีจะให้พรแก่พระองค์พระราชาก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นช่วยชุบชีวิตนักบวชผู้นี้คึ้นชีวิตด้วยท่านที่คำพรนี่นะฮะ<ม>แล้วก็บอกว่าอีกข้อหนึ่งยามใดที่ข้าพเจ้าเรียกหาท่านก็จงมาหาโดยเร็วเถิดก็คือขอพอรสองประการ เวตาลได้ฟังก็ตกลงจากการชุบชีวิตที่กำพรณชั่วคนนี้ขึ้นมาใหม่ <ฮะ S 1> แล้วก็อัมลาพระราชากลับไปสู่ที่บำนักของตนครับนี่เป็นคุณจะทำอีกข้อนึงคือก็ทําตามอะ่ะแต่ว่าก็ขอให้ชุบชีวิตกลับขึ้นมาครับตอนนี้ก็พระราชาโพชาได้ฟังแล้วก็โอนิ่งไปพักใหญ่เลยค่ะคะและในที่สุดก็รู้ว่าตัวเองก็ทําได้คือก็พูดง่ายๆก็ประหารให้รู้ว่าตัวนั้นมีความผิดนะแต่ก็อภัยโทษชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ ะะเมื่อให้ที่คำพอเนี่ยได้รู้ตัวว่าทำผิดก็ต้องถูกลงโทษแต่ด้วยความเมตตาของพระองค์ก็เอากลับคนืนขึ้นมาใหม่คนที่มุ่งร้ายหมายขวัญเอาชีวิตเตรียมที่จะเอาชีวิตท้าววิกรมติศิษย์เนี่ยแล้วก็ยังได้รับความเมตตาที่จะชุบให้ฟื้นขึ้นมาใหม่เนี่ยก็เป็นคุณธรรมอีกประการหนึห่งอภัยทานะคะคืออภัยทานนั่นเองก็ท้าโพชท่านธรรมได้คือสรุปข้อนี้ก็คือว่า คุณธรรมของความอดทนและก็ประโยชน์ของนิทาน2ี่เรื่องซึ่งผมมาได้เล่าในวันนี้นี่ยนะคะคแล้วก็ข้อสำคัญก็คือว่าอาภัยทาน ร, รู้ว่านักบวชคนนั้นน่มุ่งร้ายหมายขวัญร่วมก็ยังให้อภัยให้คือแต่ก็ทำโทษทำตามที่บอกว่าเออมันจะจริงตามที่เมตาลพูดหรือเปล่าคือพิสูจน์ก่อนพอพิสูจน์ถึงที่สุดแล้วก็ชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ก็เป็นคุณธรรมอีกข้อหนึ่งนะครับ ที<ด>่กษัตริรยโร์โพชะคงไม่ได้รีรอนะฮ ะ, ะพิจารณาแล้วเห็นว่าปฏิบัติได้ก็ต้องมาฟังเรื่องของตุ๊กตาตัวที่32ครับนะคะก็สรุปแล้วเนี่ยตุ๊กตาตัวที่32นี้ก็กล่าวคำสรุป ด, ดีพระราชาวิกรมาทิตย์อย่างมากมายนะคะก็เป็นการกล่าวสรุปว่ารงเสด็จไปทั่วทุกเว้นแคว้นตลอดพิภพปราบปร า, ปราพระราชาทุกพระองค์ที่ที่มีเรียกว่าขาดคุณธรรม เป็นความชั่วร้ายเนี่ยให้สยบอยู่แทบโบบาทด้วยอาวุธคือดาบไม้ราบด้วยดาบไม้นี่นะคะก็คือพูดง่ายลบชนะเนี่ยก็ไม่ได้ประหารครับที่สุดแว่นแคว้นก็ต้องยอมแพ้ความดีของพระองค์ก็ได้เหตุนี้ก็ได้รับการยกย่องพรองปกครองประเทศเนี่ยพระองค์ก็คือเรียกว่าต้องเสด็จออกไปดูที่ตนเองเสด็จไปทุกแว่นแคว้นไม่มีวัดวันต่อภยัยใดๆ ทรงทำลายล้างคนชั่วให้สิ้นูนย์ขจัดความขัดสนของยาจกวินิพกให้หมดไปทรงทำให้ความอดอยากยากแค้นของประชาชนในแควเนี่ยน้อยลงไปสร้างสมบูรณ์พสุขทุกประการทั้งหมดเนี่ยคือพระเจ้าวิกรามาทิตย์ได้ทรงกระทามาตลอดประชชนมายุของพระองค์เลยในพิภพบจบสากลนี้ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนถ้าพระองค์มีความยิ่งใหญ่เสมอคือโดยข้อสรุป31มาถึงสาสองที่ ปุตตลิกาแก้สรุปให้ฟังแล้วเนี่ยนะคะว่ามีทั้งกล้าหาญสมรรถภาพความเพียรมีน้ำพระทัยกว้างกว่าและคุณธรรมประการอื่นๆดังที่กล่าวมาก็เสด็จประทับได้เลยคือตุ๊กตาตัวที่3าสองเนี่ยเป็นตุ๊กตาตัวที่เป็นบทสรุปนะเป็นบทสรุปครับก็พระราชาก็ทรงนิ่งเงียบไม่ได้ขยับขยื่นพระกายขึ้นประทับบนพระราชาทันทีนะคะทรงแลดูรัตนบรรยมอันงามโอราญซึ่งในอดีตเนี่ย เจ้าพิกรอมอาทิตได้เสด็จประทับว่าราชการมาโดยตลอดนะคะเวลาผ่านมาหนึ่งปีความดีของพระองค์เนี่ยก็ยังไม่สูญสิ้นแล้วัตตนบรรยงอันนี้ก็เป็นสิงหาสนัสสติงสติกทวาติงสติก า, า, ส, กาสิงหาสนัทวาติงสติกานี้ก็เป็นรัตตนะบรรยงที่พระอินทร์มอบให้ด้วยเพราะฉะนั้นพระองค์ก็มองดูด้วยความยับยั้งชั่งปไทยในขั้นสุดท้ายว่าพระองค์เนี่ย จะมีคุณสมบัติขนาดนั้นได้ไหมได้เทียบเท่ามหาบุรุษอย่างเทาวิกรมาทิติหรือเปล่าคุณเชืค่ะครับพระองค์สายพระเนน่ทอดลงตามด้วยความอดสูรหละไม่กล้าก้าวถึงกันศ2ทรงตัดสินประไทยเด็ดขาดตัดแก้เราตุ๊กตาแก้วกว่าข้าได้ไปจักแล้วว่าเนี่ที่ฟังมาทุกเรื่องเนี่ยที่ก้าวขึ้นมาเนี่ยข้าอยากฟังเมื่อถึงตรงนี้แล้วเนี่ยข้าไม่คู่ควรกับพระเทนที่ประณานี้ จริงรอยู่แค่ได้บำเพ็ญความดีมามากจะมากกว่ากษัตริย์ใดในพิภพได้ซ้ำแต่ก็ถึงที่สุดแล้วก็ไม่ได้เปรียบปราณเสมอด้วยพระราชาวิกรมาทิตพูดประเสริฐครับข้ายอมแพ้แล้วก็ไม่ดึงดันอีกต่อไปคั้สุดท้ายแล้วเนี่ยใคร่ทรดูแล้วเนี่ยไม่เท่าเหล่านางตุกตาทั้งหมด32ก็ซาทุนะคะตุกตาในกาว่าพราะองค์ทาถูกแล้วที่รู้จักประมาณตนเองรู้การอันควร แลไม่คว ร, ครได้ชื่อว่าผู้ชนะและชนะใจตนเองคนที่รู้จักคนอื่นทั้งโลกแต่ไม่รู้จักตนเองได้ชื่อว่ามืดโม้ด้วยโมหะจนไม่รู้จักความจริงเป็นผู้ที่น่าสงสารโดยแท้ครับเป็นคำพูดที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่ตุกตาได้พูดถึงการกระทาของกษัตริย์โพชะนะครับให้ข้อคิดให้ข้อคิดอย่างมา